ผมขนเล็บฟันน้งเนื้อเอ็เอนกระดูกเยื่อนกระดูกม้ามหัวใจกับปังปืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินนี่มาเห็นทหานใช่ไห่เนี่ยามากองมาเนี่ยนะทหานในธาตุน้ า, า, น า, นาดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันคข้นน้ำตาเพื่อมันทำลายน้ำมูกเอาไข่ข้อนำ้ำมูดนี่เป็นธาตุน้าที่เหลวเนี่ยพราะซึทราบได้อันนั้นเป็นของแข็ง ซึมซาบเข้าไปในดินน้ำพวกเรานี่นี่ธาตุดินแยกออกมาแล้วธาตุน้ำแยกออกมาแล้วเนี่ยหาพลังงานในธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อุบุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้โกนกระวายไฟไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเมื่อเห็นธาตุพลังงานที่เป็นธาตุไฟเอาแยกออกไปแล้วหาพลังงานในธาตุลม แล้วพอขึ้นบางวมบนลมเผาลมเรือลมอ้วกลมพัดลมบ้างต่ำลมพายลมด้วยถ่ายวิจารณถ่ายวิจาระลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอมาเห็นพลังหันซักในท่าลมหาพลังหันในท่าไฟไฟที่รางกายให้อุ่นอบอุ่นไฟที่ร่างกายให้สุดโฉมไฟที่งกายให้วนวายไฟที่เผาอาหารใ้ย่อยไฟสี่ลมหุก มาเห็นซะพระรหั่ด้วยนครับพระรหัในเวทนาความสวยอารมณ์ที่ทุกทุกเบียข้าวก็มาเห็นซะเป็นจะแต่สุขเป็นแต่ทุกข์เห็นเป็นแต่สุขเป็นแต่สักป่าสุขเป็นแต่สักวทุกข์เป็นแต่สักวเบียข้าเกิดในร่างกายตัวน้แต่กร้ายเหมือนกันมาเห็นซะนะพระรหัสนในสัญญาที่ รูปะสังยาเห็นรูปจำรูปจำเสียงจำจิ่นจำรสจำสดจำพระจำธรร ม, ม, ามอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่พระหรันซะเป็นแต่สักความจำหาพระหันไม่สังขารจิตใจที่พรุงแต่งขึ้นนึกไม่ทางดีทางขั้วนึกทางกลางกลาก็มาเห็นซะเป็นแต่สักว่ า, ว า, า, านึาานากเทิดไปมาเห็นพระหันเป็นแต่สักว่านึดานานกนดีว่านึกขั่วบ้าสลับกันตดดับไปเหมือนการมด หาพระรหันต์วิญญาณอือาศัยดูงกระสุดในตาวา่าลูกอะไรนี่เกิดความขึ้นแล้วจะกูเวิาเสียงกระสุหูเสียงนั้นนี่โกตะวิญญาณขานวิญญาณชิญญณญญณงห า, าวิญญาณกายจะวิญญาณวโดวิญญาณก็เป็นแต่สักลาววิญญาณหกมาเห็นพระรหันต์ซะหาเราหาเขาในชาติจีนน้ำแสลมก็มาเห็นซะเป็นแต่ผมขนแล้ววันดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยเมื่อหาพระรหันต์ในขันห้าไม่ได้ก็หาเราหาเขาในขันห้าไม่ได้อีกเหมือนกันนั่น ก็มีแต่เียนนามไฟลงมปรชุมกันเป็นกายเียกว่าลูกก็มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมเข้าไปนามเขาแล้วเข้าเข้ากลัมารูปก็เป็นขันท่าเป็นรูปรูปขันนามขันเวทนาขันธัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเขาไม่ว่าจะหาผลานหาพุทธชนคนไหนในรูปมันก็มาเห็นนั่นมันก็เป็นแต่สักว่าเนียนนามว่าไฟว่าลงไปหมดซะก็เป็นแต่สักว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปหมดซะก็เลยไม่เห็นทลานก็เลยไม่เห็นสักว์ไม่เหเห็นบุคคล ที่สมมุติว่าสัตว์ว่าบุคคลตัวตอนเ้าเขาก็พระเอาดินหน้าไฟลง ม, มาประจุมกันเป็นตายเดียวลูกทีนี้ก่อนจะเรียกว่าสาราก็พราะเอามาปลูกไว้ทะลื่ออกนะมดตั้งศาลาเลยทั้งหลังคาเลยทั้งอะไรเลยกติดกระจายไปทุกคนทุกแห่งคําเรียกว่าสาราก็ไม่มีไม่เป็นสาราไม่เป็นสาราแ <c oughs> น่นเนข้าใจนะทีนี้ไปยังไม่เข้าใจความความไม่ ความมีในในในในในสิ่งที่ไม่มีในความไม่มีทันอธิบายก็ดูดูก็น่าจะจะถูกเลยแต่มันคล้ายๆกันว่าถ้าอธิบายอย่างนี้มันก็หมายความว่าอะไรมันไม่มีอย่างนี้ถ้าแล้วลบหูแล้วพระอรหันต์ก็ไม่มีสิพระอหันต์ไม่มีในโลกแต่ว่าสมมุติเป็นลุกราทิฐานแต่ก่อนพระอรหันต์พ่ว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกพรมันทุกข์จะตายโลกอ่ะจิตใจของท่านไม่ได้อยู่ในโลกคนเรียกว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกสิ ไม่ได้เธอใจอย่างนี้ทหวเขไหมเข้าใจไหมที่ว่าพระอหเกิดในโลกท่นั้นทะนเว่าเป็นบุคลาธิศานอ้ที่แท้อาหารตีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกเขาเบื่อนายหมดแล้วค้นไปแล้วยิบสูงกว่าโลกแล้วในทางปรัมภ์ในทางพระสูตรในทางบุคลาธิศานก็ต้องมีพระอหาอยู่ในโลกน่คือคำว่าพระอาหนต์ใว่าเราสมมติเรียกกันสมมติตามเป็นจริงถ้าใช่สมมติ ไม่จริงสมมุติตามไปจริงสมมุติในทางพุทธศาสนาเป็นสมมุติจริงคล้ายๆคำว่าสมมติก็จริงตามสมมติปรมัดโก็จริงตามปรามัดอย่าไปเอาปร ม, ามัดแล้วสมมุติมาเป็นทสงครามกันถูกไหมสมมุติว่าเราสมมุติว่าไม่ใช่เราอันที่ไม่ใช่เรากับไม่เราจะมาเป็นสงครามกันอันนั้นเป็นปรมตัตดอันไม่ใช่เร า, าถ้าหาปลาเรา ทำไมสิ่งแก่ทำไมสิงเก็บทำไมสิงตายทีนี้มันก็ขัดต่อกับเราใช่ไหทีนี้ก็ไม่พ้นแต่ว่ามันใช่เราใชีไหมแต่ว่าสิ่งของของเราเราชอบไหมแก่เก็บตาแจกสลายไปเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบมันจะเป็นของเราหรือเนี่ยจะบอกว่าเป็นถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบอกได้ท่านพูดอย่างนั้นเราให้บังคับได้บังร่ายบังคับได้อย่าให้เกิดจะให้แก่อยาให้เก็บอยาให้ตายที่เราบังคับไม่ได้เราจะพยาเรียนกันรัาของเรา จนตะลุย เ, เปิดเปิงจนแกไม่ได้คายไม่ออกมันก็ปินั่นพัดพูดแต่ว่าสมมุติใช้ช่อขาวท่านว่าของที่สมมุติใช้ช่อขาวถ้าไปถือเอาจนวางไม่ได้มันก็ไม่ถูกไงไม่ก็ยากอยู่กันคื อ, ค, อคือผลที่ไนะผมก็บอกว่าผมอไม่ก็เรียว่าพูดถึงพูทธาสนามผมก็เลื่อสายเจ็ตพิธนะแต่ว่า การที่ศึกษาเยอะมากผมกศึกษาจากอ่านหนังสืออย่างหลวงปู่เขียนมากนะหลวงปู่อะไรต่างๆก็ชอบซื้อมาอ่านนะว่าอ่านๆแล้วก็สงสัยสงสัยนะบางทีผมเชื่อผมเสือ่อถานหลวงปู่ตรงๆอย่งงางที่ผมสงสัยอยนะู่นะบางที่ผมอ่านเรื่องของของจิตเนี่ยที่เขียนอนธิบายเรื่องจิตบางทีก็อธิบายเรื่องใจเนี่ยนะทีนี้ในตาราก็าเขาพูดท่านก็เขียนก่าจิต ทีนี้ผมก็เลยเลยอยากจะถามพระครูว่าเวลาที่ถ้านในทางคือว่าที่ที่น ท, ที่อ่า น, นก็มีสินสมาธิปัญญาเนี่ยใช่ไหมไอ้สินผมก็รู้ไอ้สมาธิก็รู้แต่ไม่ได้่นะฮะปัญญาก็ก็เท่าที่เนี่ยคุยกันบนอย่างนี้ผมว่าพองค์จะมีเข้าใจใบใหม่ข้าใจทีนี้ผมก็อยากจะถามพระครูว่าถ้าพูดถึงในทางของสมาธิเนี่ยถ้าพูดถึงว่าที่ ไอ้นี่มันไม่รู้ใช่ไม่ใช่สิผมผ่านว่าเวลาบางองค์ที่มีอะไรมีสมาธิมีญาณแก่กล้าหรืออะไรสามารถที่จะมองเห็นอะไรอย่เงี้ยที่ผมว่าอยากจะมองว่าเวลามองเห็นจิตสรือใจมันเป็นยังไงนะครับมันเมื่อเห็นอะไนี่จังนะมันก็เห็หมดเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดแล้วแปลผลแล้วแตกสลายมันก็ต้องเห็นหมดตัวตั้งใจโลกธาตุพราตั้งใจโลกธาตุเนี่ยมันมีทั้งเกิดขึ้น่องแปลผลแล้วแตกสลาย เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแปล่รแตกสลาเห็นอ น, นจัชัดมันก็เห็นหมดในใจโะิตก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโลกพรโลกและตัวโลกตัว<ช>ตัวละเอียดมนคจิตจิตคือหมว่ามันมีเป็นเป็นรูปลักษณะมีเหมือกเราใช้วหวูดวกไม้ก็เห็น่าสามารถจะมองเป็นแบบไม้ยงไใช่ใรืไนนะจิตมันเป็นนา ม, มาโลกนามังลราชื่อมัน แต่ตัวของมันไม่เห็นเวทนาแต่ตัวของมันไม่เห็นสัญญาตัวของมันไม่เห็นสังขารตัวของมันไม่เห็นเวียนญาตัวของมันไม่เห็นแต่มันตากรดลู่อยู่มันไม่ดีมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นด้วยตานอกแต่วันตาปัญญามันเห็นอยู่มันลู่อยู่มันตากรดเลยเรียบๆก็อบคถามนิดหน่อยนะคือว่าเออคือว่าคําว่าตาปัญญาที่เราปูอธิบายก็ไอที่เออกับไอที่ที่ตาปัญญาเห็นที่มัน มันเป็นยังไงมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นรูปลักษณะเหมือนอย่างที่ที่ทเราเห็นเห็นเหมือนอย่างตาขั้นบกนี่นะไม่ตาปัญญา ม, มันเห็นด้วยปัญญามันไม่เห็นตัวตานี่หรอกมันเอาเหตุเอาผลเทียบกั น, นเหตุของมันผลเกียบกันความเกิดความดับมันก็เห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ฝืนเมื่อมันเห็นแล้ว มันก็ลองเอ่ยว่าสิ่งที่ไหนที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปคําพูดแต่ละวัระบาทก็ดับไปเป็นคํานี่คอตัวอานิจังมหาอานิจังอะไรคำที่พูดคําสิ่งที่คิดอยู่นี่ดีีวน้แล้วนึกขึ้นแล้วเราจึงพูดใช่ไหมก็เป็นอดีตไปแล้วอะไรกขึ้นนี่ตาไปเห็นลูกเป็นอดีตไปแล้วท่าพูดอย่างนีน้สิ่งที่จะมาส่งต่อรักทางเราเป็นเรื่องของกิเลสท่านนั่นอธิบายให้เราฟังผู้มีปัญญาอย่าให้สิ่งที่ว่าง่ามาคล้องอยู่ในใจ สิ่งที่ยังไม่ถึงสิงนั้นก็ยังไม่มาถึงยาปฏิบาตินะสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งชี้ว่างแล้วก็อย่ามาให้คล้องอยู่ในใจต้องเชิญทำในปัจจุบันเถิดอ๋อเดี๋ยวผมพี่อันนี้เป็นไปรู้ว่าจะถูกหรือผิดท่านยังมีอีกเรื่องนะผมลืมนึกขึ้นมาได้คืออพวกผมไปถามพวกที่เขาเขเรียนอนทางปริญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับใช่ไหมฮะผมใช่เกิดดับผมเกิดดับน้องแก ถ้าใครไม่ว่าถ้าใครไปเย็นยันว่าจิตไม่เกิดดับผู้นันเป็นมิจฉาทิฏฐิในชั้นละเอียดอเขาใช่ผิดแล้วแล้วใจเหรอครับเกิดดับไปครับคําว่าจิตมันเป็นคําภาษาบาลีคาว่าใจแปลเป็นไทยแล้วอแล้วถ้าใจก็เกิดดับด้วยใช่ไหมเกิดดับด้วยใช่เกิดดับด้วยเหตุฉะนั้นจริงคำจริงมันดับว่ารูปจิตจีตศ นิพพานมันยิ้มนั้นจิตเป็นพระนิพพานจิตถ้าทำถูกก็เป็นทางทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านันาน้นเท่านจาึงมัญญะว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานต่างหากไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่จิตจิตต้องจัดเข้าในนา ม, มขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนั่นเองคำพีนหนึ่งเรียกว่าเรียกใช้แทนว่าจิตวิญญาณ คำว่าวิญญาณก็เป็นภาษามคตนัอถ้าพูดถึงคุยกัคำว่าจิตคุยกันเรื่องชาบ้าน่ยจิตาวิญญาณนี่ก็คำว่าจิตก็เป็นภาษามกฏนะคำว่าใจเป็นภาษาไทยแปลแล้วาแล้ววิญญาณนะครับวิญญาณก็แปลว่าใจแปลว่าใจปว่าใจเหมือนกันใอนัต่ราคาสู้วอันนี้ผม ถามอีกเรื่องนะนี่ี่ก็เรื่องเรื่องผมอ่านมาอีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปใช้หลวงปู่แต่งนะฮะไม่ใช่หลวงปู่เขียนผมอ่านจากของหลวงปู่ยานะฮาบัวอ่านจากให้เขียนเรื่มงอะ้รเขาเรียกว่าอะไรดีรอาจารย์ตูต่เอาวิถีกาศของจิตทํารืออะไรเนี่ยแต่มัมีอยู่บทนึง น, น ะ, ะซึ่งท่านเขียนอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าท่านบอกว่าจิตมันไม่ไม่ตายฮ ะ, ะจิตไม่เกิดไม่ตายจิตแต่ว่า อ, อย่างไร ไอ้ที่เกิดตายี่มันเป็นมันเป็นขันใช่ไหมเป็นตังขานใช่ไห้ท่านบอกว่าจิตมันมันเป็นสภาพไม่ไม่ไม่ไม่เกิดไม่ตายผมก็ย่องเออผมมาสงสัยข้องก็ว่าจิตดับหรือไม่ดับอ่าอันนี้ใช่ไหมถ้าจิตเกิดดับก็ต้องเ็ก้อนสมองก็ต้องถ้าจิตไม่มันไม่เกิดไม่ตายก็ต้องจิตมันก็ต้องคล้ายๆกับว่ามันมันมันไม่ไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับ น, นี้ผมก็ไปถามนี่ราะว่าท่านผมจับมาผิดที่ว่าแต่ผมว่าเขาไปอ่านดูท่านว่าอย่างนี้เป็นยว่าจิตมันเขาบอกว่าที่ตายมันเป็นสังขารสังขารหลักการมันตายแต่จิตี่ยมันไม่ตายถ้าอย่างนั้นก็บรรยายจิตเป็นพระนิพานสิจิตไม่ตายจิตเป็นนามขันเกิดดับเป็น ค, คือคือคือในแงน่ในแง่หนึ่งเนี่ยนะจิตมีเกิดมีดับใช่ไหมครับถูกฮะ พอแต่พอถึงในแง่อีกอีกอีกอีกอันนึงเนี่ยจิตมันจะไม่ตายมันจะมีการตรงตัวของมันอยู่มันจะรับรู้มันจะรับไม่รู้มันจะผมอาดูนะใ น, ใ, นในเรื่องไอทีถ้เขียนนัง่ง<ม>คือผมจับแต่หัวเรื่องนะสู่อากาศของจิตธรรมเนี่ยผมผมถ้าถผมสรุปสรุปความมันจะเป็นอย่างนี้นะลองปองผูลองว่าผมจุดจะถูกหรือยูนะฮะท่านท่านผมสรุปเป็นว่าท่านบอกว่าจิตจิตเนี่ยมันเป็นอมตะนะไม่ตายนะะ แต่ว่าที่มันเกิดตายเนี่ยก็เพราะว่ากิเลสเ่ยมันเข้าไปไปไปมุงการให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวเกิดตายนะแต่ว่าจิตมันไม่ตายนะแต่ว่าไอ้การเกิดตายนี่นะเพราะว่าสังขารเนี่ยมันนามรูปหรือสังขารอะไรก็ไม่รู้นะมันมันหมดอายุนะมันก็ต้องตายแต่จิตเนี่ยมันก็ไม่ตายแล้วมันก็จะต้องไปหาที่เกิดอยู่นะกระทั่งเมื่อที่เวียนว่ายตายเกิดเหวี่งเนี่ยจนฝาจิตตัวเนี้จะหมดหมดกิเลสถึงจะ คือในลักษณะจิตที่อันนี้ผมดูลวงปู่าก็จะาอาหนังสือว่าให้ผมอ่านก็ก็จะดังๆไปว่าไอ้จิตตายไม่ตายแน่ คครูป จ, จ, จ, จิตเจตสิก่อนเป็นเมืองเครื่อง ข, ของจิตันิพพานถ้าจะว่านิพพานมาเป็นจิตอีกก็ไม่ถูกเพระาะพริในพานมันเหนือจิตไปแล้วพรยใพานเหนือจิตไปแล้ว ค่ายๆก็มาเราเก่แล้วจะไปเรียกคุณหนูมันก็ไม่ถูกแก่ที่มัเป็นเก่ไม่ไม่เป็นธาระาจะมาไม่ไม่เป็นธานะไม่เป็นธานะจะเรียกว่าจิตเอกพอผ่านพ้นจิตไปแล้วก็เรียกว่าภินผ่านเท่า น, น, นั้นท่ันไม่ใช่นะครับหลวงปู่ครับที่ที่ผมเข้าใจแล้วผมคือท่านพูดถึงว่า จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายธรรมชาติที่อมตะก็แสดงว่าดักตัวของจิตเองเนี่ยมันอย่างไงยังไงมันก็เป็นถ้าจะเปรียบมันก็เป็นธาตุแท้ซึ่งไม่ตายแต่ว่าที่มันมันมันมันต้องเวียนว่ายเกิดตายนี่ก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยใช่ไหมมันเข้าไปบงการในจิตตัวเนี้นะให้มันให้มันต้องเที่ยวเกิดตายจะไหมแล้วว่าทำไมถึงต้องเกิดต้องตายก็เพราะว่าเอ๊ะที่เกิดตายมันเป็นเรื่องของสังขารใช่ไหมท่านอธิบาย ทำนองนี้นะผมก็มายืนยันนะแต่ว่าผมว่าเข้าใจาว่าเข้ า, ใ จ, าขใจอย่างนี้เข้าใจอย่างเข้าใจอยู่เข้าใจคําหมายของท่าอธิบาย <â> แต่เรานักปทางแต่ว่าแต่ว่าเรานักปทางว่าไม่เป็นทานายจะมาเรียกจิตอีกเพราะพระรหั้สนะพระ oh รหันที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าจิตพระรหันตายแล้วไม่เป็นหน้าที่จะเรียกว่าจิตอีกพระรหันที่มีชีวิตอยู่ต้องเรียกว่าจิต เพราะจิตไม่ไม่มีกิเลสถ้าพระอรหันต์ตายไปแล้วไม่เป็นฐานะจะเรียกว่าจิตอีกเขาเป็นธรรมอันไม่ตายเท่านั้นไม่ธรรมเนี่ยถ้าหลวงปู่พูดนี้ก็ถูกแต่นี่ผมก็ขอตอนที่พระอรหันต์ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าจิตพยังหีนะครัะจิตตอนนี้ยังไมยตนยันอยู่เพราะอรหันต์ตายแล้วยืนยันไม่ได้จิตหนี่งเพราะจิตไม่เป็นฐานะจะมาใส่ชื่อจิตอีกจะเอาจิตไปแต่เมืองมนุษย์ อาจิตไปแต่กองนามรูปมันก็พระนิพานก็ไม่ใช่ไม่ถูกเพราะนิพานไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตกับเจตสิกอนุปาทิเชสพนิพานที่พระอาหารตายแล้วอันนี้ที่เราพูดกันอยู่ทั่นนี่พระอาหารยังไม่ตายเลยหกแล้วอันนี้ส่วนพระอาหารตายแล้วไม่ทำไม่เป็นหน้าที่จะบัญญัติจิตอีกเนี่ยฉะนั้นรูปจิตเจตสิกนิพพาน มรสีผลสีนิพพานห่งมรสีผลสีนิพพานหนึ่งเศาปฏิมรเศราปฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสธรรมไตรมัตมผลเป็นคู่ที่สองอาคมรอนาคตผลเป็นคู่ที่สามอรหัตมรอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่มรสีผลสีมรสีเสรษาปฏิมรสัจธรราไตรมัตอนาคตมรอรหัตมรมรสีผลสี Uh, สักษาไคยมัก uh, อนาตัดาวไปจนตัวดาวไปจนผลสักษาเคยผลนาเคยอาหารตะผลนิพพานหนึ่งนิพพานในที่นี้ไม่ได้หมายเอาพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายทำไมเนี่ยว่าโลกุตระถังเก้ามักสี่พันสนิพพานหนึ่งโลกุตระถังเก้าหมายถึงว่ามักส <im> ี <im> ่พันส <im bi> ีนิพพานหนึ่งน um <im bi> ิพพานในโลกุตระเก้าไม่ได้หมายเอาพระอรหันต์ยังไม่ตายหมายเอาพระอรหันต์ตายแล้วเข้าใจนะทีนี้ครับจะาปูดถึงว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานแล้วว่าก็ คง อ, อย่างที่้องฝูง ว, ว่านะเพราะอะไรแต่ยังไม่จิตแต่ยังไม่พระนพระนิพพานก็ต้องอาศัยจิตอยู่นะเ<า>พราะจิจตนิพพานคือระหว่างที่พระอรหันต์ยังไม่นิพพานอีกจิตจิตไม่มีกิเลสแล้วใช่ไหมจิตมันมีกิเลสถ้าครับพราะ น, นั้นิพพานแล้วไม่ต้องใช้ใส่ชื่อหรือนมามว่าจิตอีกมันหยาบเกินไปหน่เพราะมันเป็นไม่เป็นทนะจะมาใส่ชื่อเรียนามจิตอีกพระอรหันต์นิพพานแล้ว โพราะอรหันต์ที่ว่าที่นาที่ยังไม่ดิพานต์ไม่ใช่ให้หลวงปูครับถ้าระหว่างที่ท่านยังไม่ดิพานกับดิพานไปแล้วล่ะจิตตัวเนี้ยมันไม่ใช่จิตอย่างเดียวเลยไม่มันเป็นธรรมะแม่ตายจะเรียกว่าจิตมันก็ไม่ถูกเพระอรหันต์ตายไปแล้วพระอรหันต์ตายไปแล้วเรียกว่าจิตไม่ถูกก็เรียกว่าธรรมะมตายตอนนั้นะเรียกว่าธาตุแม่ตายคันแมต่ตายธาตุแมตายคันแม่ตายธาตุอันนี้ละเอียดมากละเอียดกว่าจิต นี่รับกิเลสยังในวันเป็นจะขันเหลือหนึ่งเรียกเขาพลัรหงส์เพราะว่ายังยังยังติดขันอยู่เพราะยังใช้ขันยังใช้ขันอยู่แต่พอเลิกโยนทิ้งโยนขันทิ้งไปผมก็เหลือแต่ตอนี้ปัญหาที่จะถามผมนี่ไม่มีอะไรพอจะเข้าใจนะท่านหลวงปู่พอเข้าใจนะทีนี้ผมก็ยังยังยังมีอีกเรื่องหนึับต้องถามให้ได้มาแล้วผมก็ต้องถามให้เขาเข้าใจคือเรื่องนามธรรมสีเนี่ยนะฮะเวทนาตัณยาตัณขานวิญญาณเนี่ยนะพูดถึงว่า คนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะฮะจิตใช่ไหมฮะจิตจิตที่เขายังยังไม่ปฏิสนธิเนี่ยคือว่าในในจิตเนี่ยจะยังยังมีนามธรรมสีอยู่ไหมยังติดไปไหมติดเป็นจิตไห่อยไปเลยฮะไปครับนามาทําสีไปก็ไปเพราะว่านามธรรมสีนี่ ใช่ยังยังยังแม้ว่าถ้าไม่เป็นพระละหันก็นามาทําสีนี่ก็ต้องต้องมีที่เป็นพระอานาหามีนามาทําสีก็อย่างมีใช่ไหมครับอย่างได้ยิตอย่างนี้ถูกนะราดาบทอุตกาดาบทรามบุญนามาทําสีนเพราะผ่านลูกไปแล้วเมื่อได้มาปฏิสนธิเป็นลูกเดี๋ยวมันปฏิสนธิเป็นนามบุญไม่ใช่นะครับคือผมอาที่ผมเข้าใจมาถ้าอย่างว่าปูบอกว่า ถ้าพระนาคามีเนี่ยนะะจิตพระนาคามีนี่ยังมีนามธรรมสี่ใช่ไหมมีอธี this ถ้าจิตพระลรหันเนี่ยนามธรรมสี่มีไหมครับพระทันใจไม่มีถ้าเจ้าเบียงเป็นอยู่แล้วครับแถ้ายังเป็นอยู่ก็ต้องมีต้องมีนั่นี่ผมคิดว่าถ้าถ้าถ้ายังไม่มีผ่านต้องมีเนี่ยเพราะถ้าไม่มีก็จะไม่มีความรู้สึกรูปก็มีรูปเฉยเฉยมีทนาก็มีทนารล้วน สัญญาก็สัญญาล้วนล้วนสังขารก็สังขารล้วนล้วนวิญญาณก็วิญญาณลุ่งล้วนเพราะไม่มีเกศเข้ามาสิงในรูปในนามในเวทนาสัญญาสังขารนี่พระรหัสนี่มีชีวิตอยู่แต่เมื่อพระรหัสดตายแล้วมันไม่ม่ไเป็นหน้าที่จะบรรจุตัวจริครับครับอันนี้เข้าใจครับครับไมราะ่าถ้าถ้าตับใจถึงแม่ถึงแม่เป็นพระรหัสงก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าดับตามใจยังไม่นิพพานก็เอานาประทับสีนี้ย่อบต้องมีอยู่ต้องมีต้องมีอยางนี้กม่ใช่ แต่ว่าไปมีอยู่แต่ว่าไปม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสใช่ไหมครับไม่เป็นกิเลสเขาไม่มีกิเลสเข้าไปสิงครับคเขาไม่มีกิเลสเข้าไปสิงไม่มีความหลงเข้าไปสิงพราะชนะความหลงหมดแล้วเคยหลงลูกก็ชนะไปแล้วเคยหลงน้ำก็ชนะไปแล้วชนะสองอย่างถ้าชนะอย่างละเอียดชนะรูปชนะเวทนาชนะสัญญาชนะสังขารชนะวิญญาณชนะกายชนะเวทนาชนะจิต ชนะธรรมถ้าจะเรียกในปฏิสธิประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมมีครับชนะกายชนะเวทนาชนะจิตชนะธรรมเพราะไม่ยึดมั่นในธรรมเพราะไม่ยึดมั่นในจิตครับไม่ยึดมั่นในจิตไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตไม่สําคัญว่าธรรมเป็นตนจนเป็นธรรมก็เลยกลายเป็นพระนิพพานธรรมไปเขาใช้ในนักศิล เข้าเข้าใจให้รูปของของการอธิบายนะฮะในเรื่องของจริงๆมันจะไม่เป็นอย่างจะเป็นจะต้องต้องต้องต้องใช้ยังอื่นช่วยอยู่หรือเปล่าฮะคือหมายผมผมหมายมาว่าที่ทงปูพูดเนี่ยนะทงปูพูดเนี่ยความเข้าใจของที่ถูกก็คือหมายว่าต้องมีต้องต้องมีปัญญาคิดคิดอย่างนี้ซะก่อนใช่ไหมฮะปูฮะบ้านที่ทงปูพูดนะว่าคือเราเรามีปัญญาเนี่ยเราคิดไปไปอย่างเนี้ยแต่ว่า คิดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนอย่างเช่ว่าอ อ, อย่างที่ว่าจิตของพระโสดาบันเนี่นะะจะต้องถิ่นท่าต้องไปประลิเฉดเงี้ยใช่ไหมฮต้องตัด อ, อไม่เนี่ยอะไรที่เมื่อกี้ี่วงปู่ว่าไม่ไม่ถือร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายคือเนี่ยความปัญญามันก็รู้ไว้อย่างเงี้ยครับแต่ทําไมมันถึงมัน ถ, ถึงเป็นพระเป็นพระโสดาไม่ได้ล่ะครับ จิตถึงเป็นพระโดาฯนะในเมื่อกับปัญญาก็รู้ว่าพระจิตพระโตดาก็คือมีสิ่มีติ่บริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่ไม่ยึดถือร่างกายนี่ก็อันนี้แสดงว่าปัญญาปัญญารู้นับถูกไหมครับอย่างนี้พระโรดาฯยึดถือร่างกายแต่ว่ามันไม่ใช่ยึด ถ, ถือชั้นสิเลียยาว ส่วนยาบยาบมันหายไปแล้วความหลงยากยาบของพระโสดาบันหาแล้วโรคอยากยาบของพระโสดาบันหาปแล้วโกดอยาบยาของพระโสดาบันนี่นแหละแต่มันยังละเอียดรัาพระทาคามิก็เบาของลกลงปู่ลอกติปลองยกตัวอย่างว่าที่ที่อย่างละเอียดเนี่ยผมก็คือที่ผมพูดเนี่ยรงสัมันจะเป็นอยาบยาบคืวยาคิดรู้ว่าเอ๊ะสิ่งขงไอ้หลักของพระโสดาบันเอ๊ปัญญาที่เรา ให้ควรดูมันก็น่ามันน่าจะมีน่าจะใช่นะครับแต่เวลาเมื่อปฏิบัติไปแล้วมัไม่เห็นว่ามันจะมีวิแววของพระโสดาบันเข้ามาในในจิตเขาเราเลยมันมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่าสมาธิไม่พอหรือว่าอย่างไงครับเรี่องนี้คือเราขบเรื่องพระโสดาบันไม่แตกมันก็เกิดสงสัยถ้าเราขบเรื่องพระโสดาบันแตกมันก็ไม่สงสัย นั่นเองอรนนี้ผมขู่อธิบายี่ใให้ชี้แจงหน่อยครับถ้าเราสงสัยในใจว่าจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ใช่พระพุทธร w a ครับถ้าเราสงสัยว่าจะเล่นอภัยจะมุกอยู่นก็ไม่ใช่พระธรทธ a w a ครับเพราะเหตุใดเราจึงสงสัยอยากแค่ฆ่าสัตว์เพราะเราถือว่ามันเป็นประโยชน์อยู่นั่นถ้าเราถือว่ามันเป็นประโยชน์สักทีเลย เ, ยเราจะจะเสียดายทาทําไมเลขว้าเขาเหมือนกัน ทำไมลองเสียสิ้นเสียดายอยา่างแร่งๆก็เพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิว่ามันเป็นทางเจริญที่พระสราบัญดิ่งลงไปทางว่ามันทิพไห้จริงอย่างนี้มันจะไม่ขบอุดครับถูกไหมอาจารย์แล้ครลวปนะู่พูดอย่างนี้ก็หมายว่าสิทธิสิทธาที่ต้องปฏิเสธเลยต้องบริสุทธิ์จริงจริบริสุทธิ์จะรับหรือไม่รับท่านก็นไม่เสียดายว่ามันเสีย ที่ท่านรับกับหมูกับเพื่อนก็ท่านก็รับเฉยๆเพื่อรักษาสังคมไอ้ที่แท้ท่านไม่เข้าใจว่าสีหน้าของท่านไปไหนทีนี้ถ้าสีท่าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกอีกข้อหนึ่งอนะ่ะที่เรื่องไม่ไม่ยึดขันท่านี่ยนะไม่ยึดขันท่าคําว่าไม่ยึดขันท่าเป็นตนจนเป็นขันท่ามีอยู่ทุกอิริยาบหมันเป็นภูมิของพลาาังงานส่วนพระสระวันยังยังยึด ว่าขันห้าเป็นตนจนเป็นขั้นห้าอยู่เป็นบางขณะที่ลืมสตินะครับแต่ไม่ยึดนานไม่ยึดนานนะส่วนที่จะไม่ยึดขั้นห้าเป็นตนจนเป็นขั้นห้าขาดปุ๊บเลยนี่พระอรหันต์จะพวกเดียวนะครไม่เป็นแล้วไม่ใช่พระโสดาบันเลยนไม่อเอ๊ยอย่างนี้ก็ทําให้ผมสงสัยอะไรสงสัยว่าเราชะเร า, เราจะทําระดับถ้านหลวงปู่บอกว่าต้อง ต้องขาดพับไปบาที่เป็นพระราธิที่เราไม่ไปเอาถึงพระราหานแล้วว่าในปัจจุบันชาติเนี่ยเรียกว่าพยายามทำจิตหรือแล้วทำให้เปนแค่ได้พระโสดาบันกมคิดว่าพอใจฮะเพราะว่าไอ้นี้ก็ผมก็ที่พอใจจะประชรอะไรนะเพราะถึงว่าไม่อยากเกินควรนะฮะแล้วก็ก็อสองเขาก็บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็คงจะเวียนว่ายตายเกิดอีกเจ็ชาตินั้นฮะอ่าพระพระพระโสดาบันโมหะจริตโดยดอีกเจชาติครับ พระสวราห์วัน ร, ราคะจริตเกิด อ, อีกสามชาติพระบอลมพระสวาราวันโทสะจริตเกิด อ, อีกข้างเดียว<ร>ก็ยั ง, งสแสดงไว้ที่พูดว่าไม่เกิดไม่เกิดเจ็ดชาติก็เป็นความจริงใช่ไหมครับจริงนะจริงก็นั่นเนี้ถ้าจริงอย่างนั้นก็พบว่าเอาเบาๆดีกว่าเอาแค่นี้แล้วก็อีเกเจ็ดชาติมันก็ไป่นานเท่าไหร่นะที่ต้องทํามาว่าไม่รู้กี่ร้อยปันชาติมันก็นานเกิน เพราะเพราะเราหวังอยากจะสวยพระสรีดาวันอยู่ทาไมเราจึงต้องการเกิดอีกเช่ชาติก็เพราะนิสัยของเราเป็นสตักขปุปละมะเพราะนิสัยพราะเราชอบพระโสราวันเกิดอีกเช่ชาติมันก็เป็นอย่างนั้นสิ พวกที่ชอบก็สวดาวานสวยอยู่สามชาติพวกนั้นก็เหนียวอยู่ที่นั่นพวกที่ชอบเกิดชาติเดียวเพราะนนกนเหนียวอยู่ไอ้นั่นเป็นอารมณ์เพราะคนชอบของใครเขาวันทีนี้ผู้ที่แก่กล้าแล้วทีนี้ก็ไม่ชอบเลยพระนาคามีก็ไม่ชอบพระสักคาคาเมีก็ไม่ชอบข้ามาเกิดแล้วก็มีแต่แก่แต่เจ็บแตตายแค่นั้น เราจะประคอยสเสวยอะไรค่อยค้นไปในปฏิวัตินาจิตปฏิวัตินาธรรมแฉเกิดปฏิวัตินาชาติจะเกิดอันนั้นถ้านผู้นันแก่กล้ามาแล้วท่านนั้นบาลมีแกแ่นนกล้ามาแล้วพระเจ้าตีน้อปู่บอกว่าบางบาลมีแก่กล้ามาแล้วทีนี้ถ้ามันบาลามียังไม่แก่กล้าก็จะคิดว่าเอาแค่พระโสดา บ, บันนี่ยังไปรู้จะได้ไม่ได้เลยครับก็ได้อยู่ขอยอย่าเยอะเนีย มีพูว่าเคดหัวอย่างนี้แล้วก็โกรธอยู่แต่ว่าไม่ตอบขอไม่ผูกเวรเขาคําว่าทําให้รําตาไหลก็ไม่ผูกเวรเขาแต่ว่าโกรธอยู่แต่ความโกรธของพระสดวรรณไม่ถึงกับไปนระกไม่ถึงกับไปเป็นพัดเจษานไม่ถึงกับไปเป็นเปรตเพราะความโกรธหยา บ, ย บ, ยบหายแล้วยังแต่ความโกรธละเอียด แต่ว่าปิดประตูไปแล้วอันหยาบราคา่ายางหยาบเขาปิดประตูไปแล้วราฆาพปัศรรานไม่สามารถจะไปร่วงละเมิดลูกเขามีเขาถึงแม้ว่าจะมีคิเลสหรือว่าก็ยินดีแต่ภรรยาของตนยินดีแต่สามีของตนทานไม่สามารถจะร่วงผู้อื่นเขาจะเปิดประตูให้ก็ไม่ร่วง เพมีขอบเขตไม่เชียอได้เลยเห็นว่าเป็นบาปเอาเอากันง่ายๆวะอยากจะเป็นพระโสดาบันอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โยนกิเลสทิ้งไปได้หมดเห็นโทษครับเห็นโทษในสิ่งที่ไม่มีชิ้นหน้าครับเท่านั้นเองเห็นโทษในสิ่งที่ซื้อศาสดาอื่นเห็นโทษได้สิ่งที่ ค่าขายเคบรหารค่าขายมนุษย์ค่าขายจัดเป็นอะไเนี่ยสัตี้ตัวขาดเป็นอาหารค่าขาน้ำมอค่าขายาขาขา ย, ยาพิษพิษโทษเลยไม่ใช่ใดยอยากมองละเมดอันนี้เดี๋ยวว่าโทษที่อปู ว, ว่าสอง네ข้อเนี่ยผมก็ไม่เคยไม่ไมันไ ม, ไม่ไม่อยู่ในจิตแล้วครับอ ย, อย่างที่ว่านับถือศาสดาอื่นหรือว่าไอ้คากของที่ที่วานเนี่ยมันมันไม่มีในจิต<ห>แล้ว ảo, มันจะมีอยู่ตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าสินห้ามันยังยังไม่ไม่บ่อยไปบริสุทธิ์ไปดาาอื่นหรือว่าไอ้คากของที่ ที่วามันมันไม่มีในทิดแล้วมันจะมีอยู่ตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าทิศห้ามันยังยังไม่ไม่อยมบริสุทธิ์ไปถึงเต็มที่ยังเพียงแต่ว่ามันละเว้นได้เป็นบางบางคราวตนานๆแต่ว่าบางทีมันก็มีเขินถ้าส่วนได้ให้พิจารณาให้เรื่องยึดลัางกายขันท่ามันยังบางบางยังบางทีมก็ยังไม่ค่อยยังไม่ไม่แจกชาถ้าอย่างนั้นเขาเป็นนิสัยทศวระวัน สัตตกตุกตปรมาเกิดวิจิรชาติเพราะต้องการพระสวสบาลแต่แนั้นก็สมเหตุผลอยู่นะแต่ ว, ว่าไม่ถอยวพวกนี้อา้าจะเทียบใครพระสวัดาบาล น, นั้นสมมติว่าประเทศนั่น มันมีอยู่สี่สีแ่แควนสี่จังหวัดสี่แควนใหญ่ใหญ่พระสวัสดวันตีได้แคว้นหนึ่งแล้วนะไม่ขบคืนะครพระสกทาคามีตีได้พระอนาคามีตีไว้ตีได้แควนหนึ่งเอ ง, เอ ง, เองไม่ขบคืนเดี๋ยอะนะสมมติเราเป็นสามแควนใช่ไห คือพระตะกาาั่งาำังทำกับพระสวัสดิบาลในวันมัวกันอยู่รพระตะกั่งาเงินพบว่สอบา น, สนักพระสวัครับาสอบนักคำตีพระสวัสดิบาลเอ ก, กพิธีเกิด อ, อีกาสามผสอบนักคำตี จะเทียบเอกพระกัชกาคามีอาสอนพระธรรมจีนพโธ่จะเชั้นจะเกิกิอันนี้เกิดอีกสามชาติเนี่ยนี่ตอนพระอนาคามีถีพระเพทข้างต้นสอกนักคทโธู นีเทียบเอกพระอนาคามีผู้เกิดในภพนั่นก็สิ้นในภพนั่นแช่นไปเกิดในอวิหาก็สิ้นในอวิหาระถ้าเกิดในอัตตาก็สิ้นอ่าก็เป็นพระรหัสในอัตปาถ้าไปเกิดในชุนักคําโทเนีเทียบเอกพระอนาคามีผู้เกิดในภพนั่นก็สิ้นในภพนั่นแช่นไปเกิดในอวิหาก็สิ้นในอวิหาระ ถ้าเกิดในอัฏฐปาก็สิ้นอ่าก็เป็นพระรหัสในอัฏฐปาถ้ามาเกิดในชุดสักษาก็เป็นพระรหัสในชุดสักษานลุงปูออดจะบอกว่าในระดับพระโสดาบันขั้นสูงกับพระอ่าขั้นแรกพระพระสกิทาใช่ไหมครับ่ำอ่าขั้นขั้นสูงขั้นขั้นสูงสุดของพระพระโสดาบันพระโสดาบันกับขั้นต่ำขั้นต่ํากับขั้นต่ําสุดของ ถ้สกิทาก็จะจะมีการเกี่ยวพันกันอยู่เนี่ยมันจะคอมๆกันอยู่มันจะได้แล้วเพราว่าเหมือนอยาบีผ้าอยู่สามองค์ใช่ะหมบีฟาร์บูนักทำตีเท่ากันหมดนะฮะแต่เวลาไปสอบเทียบนะอีกองอาจจะสอบไม่ได้แต่อีกองอาจจะสอบได้เป็นนักทำโถนะฮะและองค์ก็สอบได้นักทำเอกเลยซึ่งฟาบดพื้นฟารู้ทีแรกกันักทำตีเหมือนกันหมดถ้าพูดอย่างนี้พูดง่ายๆอไม่ไม่ต้องว่าละอ่ะสองคนอยู่ใชั้ แต่ว่าคนนี้สอบสอบได้ที่หนึ่งคนคนนี้ท่านเดียวกันน่ะพูดเท่านี้พอแล้วไงอยู่ท่านเดียวแต่ว่าเก่งกว่ากันจก่งก็กันคนนี้สอบได้ชัานที่หนึ่งคนนี้คนนี้คนที่สที่ผมเข้าใจกับมว่าผมพูดตามที่เด็กเรียนเหมือนยังเห็นว่าต่อไปิยี่นะฮะพอเรียนออะไรมศสี่นี่เลยมศสหะอะไรเข้าสอบเที่ยวมศหกได้แล้วก็ลดไปปีไปเข้าสอบข่ามหาวิทยาลัยคือว่าพื้นความรู้เท่ากันอะ มสี่หรือมห้าเป็นการจะสอบเทียบเป็นมหกไปเลยวันาคารมีเนี่ยผมทาให้ถ่วงห่วงร้อหรือเปล่าครับท่านเยอะใช่ไหมเพราะว่าคุยกับลูกผู่นะเดี๋ยวเพราะลูกผู้ก็ไม่ค่อยจะปกติครับนั่งนานๆก็ไม่ค่อยจะดีก็ขอขอถามอีกอันเดียวนะครับคือผมอยากจะอันที่ถามลูกผู่โดยตรงนะว่าลูกปู้ในเวลาใด เมื่อจิตหลวงปูได้โสดาบันแล้วเนี่ยจิตสลงปู่ไปสกิริณาคาหรืออนาคาหรืออาาหรออาหันต์ไปเลยรวดเดียวไปเลยหรือว่ามีการพักไหมว่าได้โสดาบันก็อสามปีสีป่ปีที่จะมาเป็นสกิาารธาาคาสามสี่ปีที่จะมาเป็นอนาคาปีที่จะเป็นอรหันต์อันนั้นมันเป็นเรื่องของวัฒนธแต่และข่านแต่และคนคเช่นพระ อ, อานนท์ได้พระโสดาบันแต่นานแล้วจนถึงอายุแปดสิบปีเก่งได้พระอรหันต์ หลังสังขายยา่าวันในสังขารยานาครั้งที่หนึ่ง น, นั่นพระโสดาบันแบบนั่นนอนจกจะประจัดว่าเอกพิชีไม่ถูกอั่นพระโสดาบบดดาบันรอตำเหน่งขันในชาตินั่นต่างหากเข้าใจนะครับเข้าใจาใาทีนี้อ่าก็อธิบายครับทีนี้บางท่านว่าท่า น, าานเมื่อสําเร็จพระโสดาบันแล้วตะเวนถึงรขันเลยก็น่อนเองลวดเดียวเลยรวดเดียวเลยครับ บางท่านก็ไปพักอยู่พระอน า, าคารนี่บางท่านก็ไปพักอยู่พระโรราษฎร์บางท่านก็ไปพักอยู่สักกาคานีเสียก่อนเงินขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านที่สร้างมาครั บ, อบอกว่ากันนี่บางท่านเออแล้วจะไปกรุงเทพแต่ว่าไปนอนอยู่ที่โค ร, ราชบ้างบวกกับโคร า, ราชก็ปากช่องออกปาก่องก็อยุธยาแล้๋วจึงไปอีก บ, บางท่านก็บางท่านก็ตะเล็ดเลยครับไม่พัก เข้าใจนะจริงครับเข้าใจนะครับที่บางท่านมีกำลังมากพวกสำเร็จพระสดดาบันในมขณะนั่นเตลิดถึงพระรหันแล้วขณะนั่นเปรียบเหมือนเครื่องบินพึบข้ามเลยไม่พักหรือจรวดไม่พักเลยก็ข้ามเหมือนกันยก็้าวหอมอีกเช่นพวกขึ้นบันได สมมติาบันไดสี่ขั้นบางคนก็ขึ้นเล่นอยู่นั่งเล่นบ้านในบันไดเพราะเห็นว่าไม่มีใครมาผ่านแล้วก็นั่งเล่นบ้านพักดูบ้านเพื่อจขึ้นขึ้นกละโดดถึงบ้านเลยขึ้นเลยไม่ต้องนั่งพักสี่ขั้นบันไดสี่ขั้นเข้าใจนะที่อขจารย์จาได้ไหแถมอีกหน่อยได้ไหมครับได้ แก้ไม่อยก็คือผมอ่านตอนจะจบที่ลวงทั้งสือประวัติหลวงปู่นะฮะที่ว่าเราจะดูเราตายนะฮ ะ, <น>ะคือนะคือหลวงปูนะะ่นั้นถึงตอนที่เรียกว่าตอนทั้ถ่ายทอดมากอ ะ, ะถึงก็เอเรียกว่าขึ้นไปไปไ ป, ไปนอนล อ, อยอยู่ในในอากาศเลยฮะครับนอนสมาธินั่งสมาธิอยู่ใช่ไหะทีนี้ผมก็อยากจะถามหลวปู่ว่า หลวงปู่ตอนนั้นลงปู่ใช่ไะมก็สินไม่ใช่สินธาสินต้องสอง้อ ย, ยี่บเจ็ดใช่ไหมก็ต้องบริสุทธิ์นี่ยฮะสมาธิหลงปู่ก็ต้องอย่างน้อยๆผมคิดว่าคงจะต้องอยจากที่หลงพ่อที่นหลวงปู่มั่นไพรกะบอกว่าไปทับนาสมาธินะ่ตอนที่หลวงปู่กาลัง ท, าาทําสมาธิอยู่ในอากาศแล้วก็เพราะนั้นแสดงว่าสมาธิของหลวงปู่เขต้องมีพลังเหลือเกินนะแล้วก็ส ต, ติปัญญาหลวงปู่ก็ต้อง ต้องมีมากไม่มีมากลูกปู่จ่ว่าเราจะมาดูเราตายได้ที่ผมก็อยากจะถามว่าลูกปู่อะระหว่างนั้นน่ะลูกปู่เนี่ยจิตของลูกปู่นี่นะเป็นพระโสดาบันหรือพุทธกิริยาคาหรือเปล่าได้ไหมครับเนี้ยนี่ผมก็อยากจะจะรู้ว่า้ามีทักษิณบริสุทธิ์มีทั้งเออสติจัมปัญญาหรือสติสมาธิอย่างดีมีทั้งปัญญาอย่างเดิมตอนนั้นลูงปู่ได้พระโสดาบันหรือยังพระแม่ใหญ่ทรงห้าม ไม่พูดเอจแต่ผมคิดว่าหลอกถามไม่ใช่ครับนี่ผมไม่ไซื้อมาอันนี้ผมผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมว่าปัญญเก่งเลยปัญญาเก่งคือผมอ่านแล้วผมก็สงสัยนะครับผมว่าเพราะผมคือผมตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าทําไงผมถึงจะได้จิตผมถึงจะเป็นพระโสดาบันบ้างนะครับผมก็เลยนึกว่าเอจะอยู่ในสภาพอย่างไงถึง เ, เรียกว่าจิตภ า, าษาหลพระโสดาบันแม่สงสัยจะพิสูจศาสตราเอ๋ ไม่สงสัยว่าคําสอนในใจโลกธาตุจะเนือคำสอนอรรถศาสตร์นะไปเลยไม่สงสัยว่าในใจโลกธาตุาาจะมีสุขเกิดสุขของเคราะห์ก็มีอยู่สี่อย่างทุขเกิดแต่ความในครับท์สุขเกิดแต่ใ จ, ใจทรัพย์ บ, บริโภคทุขเกิดแต่ความไม่เป็นนิเป็นถิ่นสุขเกิดแต่ทํางานที่ปฏิจจคุโภตทั้งอย่างนั้นก็อยู่ใต้อาํ า, าออนาจอันารายเกิดขึ้นแต่แปรปรวนแป่เปลี่ยน ทรัพย์ที่ได้มาโดยทางกิเ่าก็ตามเป็นวัตถุนิยมหรืออุรมกติก็ตามก็เกิดกับเป็นเหมือนกันก็ไม่ใช่โลกุตระทรัพย์ครับทรัพย์ภายนอกเขาไม่ใช่โลกุตระทรัพย์ทรัพย์ภายในเขไม่ใช่โลคุตระทรัพย์ทรัพย์ภายในคืออะไรคือความเห็นของของของผู้นั้นความเห็นของผู้นั้นยังเป็นโลกีอยู่เดี๋ยว่าทรัพย์ภายในครับเพราะความเห็นของผู้นั้นยังไม่เป็นโลกุตระก็กิเลสยังเป็นบางอยู่ยังไม่เปิดประตูโลกุตระถ้าสมวยดาวน์นั้นเปิดประตูโลกุตระแล้ว มองเห mm. mm. ็นฝ right, right? ัน <schwer> ย <Quite S 2> ิ well, right right uh ่งดีแล้วเยอีเยอะนี่สมมุติว่าโลกกลมโลกทั้งหลายโลกทั้งหมดทั้งพโลกทั้งดวงอหรือสมมติอย่างนี้ก็ได้ออถ้าสว็จอันเดินอยู่ต้นทาง นี่สมมุติเราเป็นโรคนะสมมุติเราเป็นอิเลสมากนะพระารีบันเดินอยู่ต้นทางไม่สงสัยว่าจะแวะขวาไม่สงสัยว่าจะไวะซ้ายไม่สงสัยว่าจะถอยหลังครับไม่หน้าที่เดินไปแค่นั้นครับแต่เห็นฝั่งที่ปีที่ปีเท่้ว พราาะวัคคะทานีพระอนาคานีพระหันไปเลยข้ามเลยเข้าใจแ้ส ค, ครับอันนี้เข้าใ จ, ใจครับเ้าใจแล้วเข้าใจง่ายๆนนครับทีนี้าอะไรอีกสิแต่ที้ท่านรูวงพ่ อ, อ, อ <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดประกบละลานล ะ, ะล้ะวกก็ ผมถามต่นี้ปัญหาเดียวแน่ๆนะครับอบบอ๋คือคือในในการที่จะข้ามผู้รู้ๆนี่ห น, นะครับถ้าข้ามรู้รู้ๆได้มันกมหมายควาว่าแสดง ว, ว่าจะเรียกว่าหมดกิเลสใช่ไหมครับถ<ด>ูกแล้วทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่า อ, อมองไม่เห็นก็แสดงว่าเราเรายึดไม่ใหญ่แล้วเพราะไม่มีทีนี้มันต้องมีใช่ไหมผู้รู้มันก็ต้องเห็นผู้รู้ออนอกจากผู้รู้ไม่มีใครจะเห็นผู้รู้ครับถูกต้องครับต้องผู้รู้ถึงจะเห็นผู้รู้ อ, อย่างนั้นก็แสดงว่าตัวผู้รู้เนี่ยได้ได้จิต ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะจะฆ่าผู้รู้นี่เขาต้องต้องเห็นผู้เห็นผู้รู้ใช่ไหมครับต้องเห็นผู้รู้เหมือนกันว่ามันยึดถือว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้แล้วป็โลกกดลงจะมาจากประตูไหนน้ครับวิญญาณปฏิสติจะไปตั้งอยู่ในที่ไหนมันก็ไม่เหมือนกันคือว่าผู้รู้รู้เนี่ยคือปีญญาปฏิสติใช่ไหมครับผู้รู้รู้เนี่ยเป็นเรื่องขั้นราละเอียดที่สุด พระเนปาห์พระอรหันต์หอบผู้รู้ไปไหมพระอรหันต์ตายแล้วหอผู้รู้ไปไหมไม่ได้หอบไปบบางสกุลเพ่งแล้วถึงแม้ยังไม่ตายท่านก็ไม่ได้ยึดถือผู้รู้พระอรหันต์ทีนี้ไม่ยึดถือทีนี้มันมีปัญหาผู้รู้มีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเพ่งแต่เพียงว่าเราไม่ยึดถือแล้วผู้รู้มันจะหายไปเลยเลยือยังนะครับผู้รู้มีอยู่ในพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายพระอรหันต์ตายแล้วไม่สาคัญว่า ผู้ลูเป็นเราเราเป็นผู้เราไม่สําคัญอะไรเลยไม่ได้รักษาก็รู้เลยไม่รักษาอะไรเลยพราะอหันที่ยังไม่ตายก็เหมือนกันพระรหันที่ตายแล้วไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดเลยเพราะฉรหันแต่พหนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่สําคัญตัวพระอรหันที่ยังไม่ตายไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ไหนเงือไม่สําคัญตัวอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรกันที่แต่พูดตามสมมติได้เฉยเข้าใจนะ ครับคือว่าถ้าเนว่าตามอขลูกปูไปก็พอจะเข้าใจแต่ไม่ก็มั น, ม, นมันก็ยา ก, ยากอยูนาา่นะครับคิดจยากนะครับผมว่าลูกปูลูกปูมากนะครับไม่ไม่ถามจนตู่ใจแล้วอไม่ใช่ผมก็แหมเกลียกใจมไม่เกลียกหรอกเกลียดหมดเลยนะถามจนตื่นใจเพราะผมนะโอ้เข้าเข้าใจแล้ว <M> คือผมผมเนี่ยผมก็มาติดไม่ใช่มาติดนะผมไม่ได้สักขั้นแต่ว่าคืออยู่อยู่ทางดุนนะมีเจ้าอาวาสทงหนึ่งท่านกับคุยถึงเรื่องว่าคงจะผมคิดว่าท่านคงจะเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็น อะไรเดียจะเป็นสมาธิสูงจะเป็นสมาธิขั้นขั้นสูงเลยถูกไหมว่าท่านท่านท่านเล่าให้ฟังนะว่าท่านพยายามเวลาท่านอตั้งสมาธิแล้วก็รูปรูปของท่านเนี่ยจะปรากฏนั้นที่พูดถึงจากท่านเล่านะครับตัวของท่านเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วท่านก็บอกท่านท่านเพลงอย่างท่านรูปของท่านเนี่ยมันมันจะระเบิดเปลี่ยงไปเลยฮะระเบิดรูปของท่านเลยท่านเบียนพอพอระเบิดเสร็จแล้วก็จะรวม มาเกิดเป็นร so so so ูปท่านกท่านก็บอกว่าท่านพยายามอย่างเงี้ยแพ่งแล้วก็ก็ดับไปอยู่เงี้ยเกิดคล้ายๆว่ารูปรูปของท่านเองเกิดดับเกิดดับอยู่เงี้ยท่านบอกว่าทำยังไงมันก็ไม่ดับมันก็ไม่ดับสูทบางทีเงี้ยผมก็คิดว่าท่านจะมาติดไอตัวผู้รูรูนี่หรือเปล่าปิดล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นที่ปรากฏในรูปมเป็นอุปจารสมาธินะคือว่าท่านเล่าให้ผมฟังเงี้ยผมมาคุยกันกันแล้วก็ท่านก็เป็นท่านก็เล่าบว่า เดี๋ยวนี้ท่านทำถึงอย่างเงี้ผมก็ผมก็ไม่มีความรู้แต่ผมก็อ่านหนังสือหลงปู่ที่เจอเขาก็คิดว่าทําให้สมทำทำให้ชะน้งใช่ไหว่าทับว่าตสัยว่าท่านคงจะมาว่าตสัตยว่าไอ้ที่ท่านเกิดเพศแล้วเกิดเป็นรูปท่านปาเยมันจะเป็นผู้รู้หรือเปล่าหรือไม่เช่นเป็นฮะท่านเนี่ยพามาใช้ผู้รู้เนี่ยฟากผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายครับเก็บไหมล่ะเก็บปวดไหมล่ะ พรนิพพาม่ใช่ผู้รู้ข้าผูรู้ไปจนไม่มีที่หมายคุณจะเต่าวิโมกอันนี้ไม่เต่าวิโมกเอาไปหินเต่าวิโมกพระนินิเวศไม่มีเครื่องหมายมันว่างพหมดแล้วเพราะมันไ ม, ม่สัตว์ไปใช่บคุคคลไม่สําคัญก์ตัอยู่ในที่ใดใดหมดเดี๋ย ว, ยวนี่เต่าเนี่ยนี่ปลามันอยู่ในน้านี่สมมติวาน้ำของมันนี่เต่าของม น้ า, น า, ไไาไปอยู่ข้างนอกมันว่างเวงไม่มีอะไรนะคไปอยู่ข้างนอกว่างเวงไม่มีอะไรเลยอากาศดีมากครับน้ามก็ไปได้เข้าจมูกครับหายใจก็สะดวกไม่ต้องได้โผล่ขึ้นมาจะหายเวลาไหนก็หายได้ว่างเวงมากอยู่ข้างใน นี่อตัวปลาที่นี่เหมือนจอกเหมือนเหนียอยู่นี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนตมเหมือนโคนอยู่ที่นี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพวกนี้อยู่ในแต่ละวงน้ำออกกลางน้าไม่ได้เลยก็ถามออกน้านี่มามาเทียบนีเหมือนน้าไหมเหมือนอยู่ที่นี่ไหมเหมือนตมเหมือนโคนนี่ไหมเหมือนที่ทํานี่ไหมเหมือนที่ขอนไม้นี่ไหมเหมือนที่จอกที่เหนียนี่ไหมสาหลายไหมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ เพราะอันนี้มันออกมานี่มาได้มันก็อยู่แต่นี่ก็เอาแต่นี่เทียบเนี่ยนี่มันยังยังอยู่ในสมมติเนี่มันมันอยู่ในที่นี่มันเอาแต่นี่เทียบหมอนี่มันมาเห็นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ไม่อันนี้มันมามันอยู่ได้แต่กระเพาะเดียวนี่อันนี้มันมานี่ก็ได้เต่ามันก็มานี่ก็ได้เข้าใจนะที่เข้าใจมือยว่ามว่าอีกคนยังอยู่ในสมมติอีกคนหนึงเป็นวีบุตใช่ไหมก็เลยเลยไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันทีนี่ ไม่นิพานมันคงจะเป็นอภิภัตสอนหรือแสงสว่างอะไรนั้นนี้มันก็วาดภาพไปเสีย น, นี่มันก็วาดภาพอยู่ในโลกถูกไหมใช่เพราะแม่นิพานไปเห็นถูกไหมใช่ครับคเดี๋ยวมากสมัยนี้คนชอบว า, าดภาพตอนนิพานเป็นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งใช่มครับแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะไปยืนยันอย่างนั้นซะด้วยนะนนที่เท่าที่ผมประสบจากภายนอกมาที่ที่แอมไซทั้งหลายที่ที่จะหาว่าหลุดจาก อันนี้สคำถามลุงปู่อีกทีนะในใน ใ, น ใ, น ใ, นในลุงปู่พูดมาแบงนี้คือเขาบอกว่านิพานจะใบของคนอย่างนี้เขาบอกว่าอยู่เหนือเหนือเห น, อเ น, อเ น, อเนือชั้นพรมไปอีกนะครับก็อยู่ในชั้นพรมแล้วพอหลอกเกินขนมเขาเขาบอกว่าหมายความว่าหลุดนิพานนี่หลุดไปจากจากพรมเลยพรมอยู่หาเขาพูดต้องสูงอยเนี่ยพมก็หมายความว่าฝากอเนธกาพรมไปเอาไว้หาอันทับปา เยวนะผมมั่งพัตพาผมุรโลหิตามหามมาปาปิตาพาอปมานาพาอาภาพาัพพาปิตาสุภาอภมาราาัสุพาสุภกินตกาอสังยสกกาเวหัพพาอาวิหาอัตป า, าสุษสสาสุสัีอากานิตกาที่สี่ทีห้าทีหกกมสุขขันย์่ยฝากระธานนิสกาไปอันยิาา่ผ่าน นั่นเองเขาเาพูยกันอย่างนี้ใช่ไหมถูกก็พอถูกบูกแต่ที่นี่เนี่ยผมจึงถามท่านครับมันมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะนี่มันมีทั้งทั้าพี่เขาก็พูดเขาก็พูดกันถูกเลยครับถูว่าที่พานเนี่ยมันก็ต้องเป็นสถานที่นึกซึ่งไม่ไม่ใช่สถานที่ไม่ไม่จะมาเทียบเหมือนกองน้ำรูปในโลกเนี่ยไม่ไม่มีเทียบไมดแต่ว่ามีอยู่ก็มีอยู่เทียบไม่ได้อเทียบไม่ได้ไม่ เทียบเป็นบุคลาธิษฐานไม่ได้ อ, อ๋อเทียบไม่ได้แต่ว่ามีอยู่นะมีอยู่ครับผมก็เข้าใจท่านเทียบแล้ ว, ว อ, อ่ะเปลวไฟอันกําลังลมพัดเมื่อดับไปแล้วเชื่อก็ดับไปแล้วธาตุไฟก็ดับไปแล้วไม่เป็นหน้าที่ว่าจะไปตั้งอยู่ในที่นั้นทีนี้จะยืนยันว่าศูนย์นาเดียวดิ่งก็ไม่ได้อีกมันงจ๊ะ อ, อันนี้อันนี้ลูกผู พระอุโบมาณที่ผมเข้าใจแลครเข้าใจนะเข้าใจคือมาเพราะว่าไฟทาไมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าแต่ไม่แต่ว่ามีอยู่มีอ่ไม่ใช่ว่าไฟเพื่อไปดับไปแล้วจะไปอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่ามีอยู่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่นั่นเองเพราะมันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นนามแต่พวกพวกเราพูดกันอยู่นี่พวกเราก็เอารูปเอานามมาพูดพระนิพพานเอย่ามาพูดมาได้แค่แล้วครับ ถูกไหมครับอันนี้เข้าใจแล้วครับเข้าใจนะครับใจออย่างนี้มันอย่างมองคือว่าตา ม, มออกตามปรับคิดลงหลูที่อาจจะไม่เรือมันเค็มขนาดไหนครับโอ้ถ้าเราคิดมากเราเค็มมากคิดน้อเาเค็มน้อยเอ๊ะรถเค็มมันไปยังไงครับก็ไม่มีทิธีที่จะบอกขอให้คุณคลิป ด, ดูครับใจขอคลิปแล้วครับรถเค็มมันไปยังไง ยังไม่ต้องตอบก็ได้ครับผมตอบไปถูก <laughs> นี่นเดียวถูกแล้วครับอันนี้เข้าใจครับ <laughs> พวกที่ยังไม่รู้จักพระเนปานเขาก็ว่าดข้าดเขอาอจะเป็นอภัพสอนอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เขาพูเขาพูดไปอ่ะมราขาดคะแนนพระเนปานไม่มีที่หมาย ถ้าไม่อยู่คุยหลวงปู่จะตหวางแต่ผมก็เก่งใจท่านไม่ไม่ยอมเสียสละเหมือนกันวันนี้ขับได้ดีแล้วเนี่ยคือพอเนี่ยหลวงปู่พูดถึงประพัดสอนที่ผมก็ก็ไปไม่เจอท่านผู้รู้อธิบายอีกเนี่ยที่ผมก็ไม่แหน่ใจก็อยากจะมาถามหลวงปู่อยู่คือเขาบอกว่าจิตจิตมนุษย์เราเนี่ยท่านลึกจิตบุตรชนเราบุตรชนเนี่ยธรรมชาติเขาบอกนี่เขาบอกธรรมชาติอยู่นะธรรมชาติว่ามันเป็นประพัดสอนหรือว่า เขาบอกว่าิตตัวจิตเดิมจะแท้เนาะจิตที่ธรรมชาตินะมันแท้เขาบอกพระพัฒน์สอนก็คงจะถ้าพระพัฒสอนก็ต้องมีแสงสว่างใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าไม่มีกิเลสคือจิตธรรมชาติเขาจิตจริงจิงไม่มีไม่มีกิเลส น, นะตนนะแต่ก็ไม่มีปัญญาด้วยเขา่านี่ยแต่ว่าจิตมนุษย์บุตรชนทั่วไปเนี่ยประพัฒสอนนะแต่ว่าจิตมีกิเลส น, นะแล้วก็ไม่มีปัญญาเขาว่าอย่างนี้ จะถูกต้อง่ะอืมก็ถูกั้งเทียบแฝพระอาทิตย์เย็เทียบแฝพระอาทิตย์กิเลสเทียบเมฆทีนี้เย็บเทียบเหมือนพระอาทิตย์กิเลสเทียบกับเมฆเมฆไปบางพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ไม่เห็นสองแสงไม่เห็น พระอาทิตย์ก็มายืนยันว่าไม่อยากมาบังเราครับเมฆก็มายืนยันว่าเราจะไปบังพระอาทิตย์นะเขาจะไม่เข้าใจนะเข้าใจนะเขาเข้าใจทีเดียวเข้าใจนะต่างใจทีเดียวนะเพราะว่าแล้วพระอาทิตย์ก็ไม่ได้โกให้เมฆเมฆก็ไม่ให้โกหกพระอาทิตย์ครับครับเทียบได้เพียงแค่นั้นอันนี้จริงนะเพราะว่านะเพราะว่าจิตประพัดต่อก็เหมือนกับพระอาทิตย์ซึ่งแตกสองแตระหว่างนะครูพี่นี่จิตเอ่า อ่าไม่มีกิเลสนะแต่ก็ไม่มีปัญญาแต่ว่าแต่ว่าจิตมนุษย์จุบุตุชนแล้วย่างยม้นก็ภาภัสสอนแต่ว่ามีกิเลสแต่ว่าเขาไม่มีปัญญาเพราะนั่นต้องเขาบอกว่าต้องให้มีให้จิตเนี่ยมีปัญญาเพื่อจะได้ไล่หรือเพื่อชับระล้าให้กิเลสมัหมดไปถูกถ้ามัถ้าพขาไม่มีจิตปัญญาเข้าไม่มีถ้าไม่มีเลสก็ไม่ไม่มีเสน่ห อย่างนี้ก็ถูกอีกครับถูกไหมเล็กมันจะไม่มีสนิเลยถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเล็กครับถ้าไม่มีกิตก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็กิตก็ไม่มีอีกครับคอันนี้อันนี้ใช่ครับมันทีนี้พระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแล้วเอาปัญญาไปด้วยไหมเอาจิตไปด้วยไหมไม่ได้ออกไปครับพระอรหันต์ตายแล้วไม่ได้เอาจิจไปไม่ไเอาปัญญาไปก็ทิ้งไว้ในโลกครับครับท่านพูดที่ลมปาณเนี่ยไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยครับ ถ้าว่าท่านทิ้นลมฟานไปแล้วเอาจิตไปด้วเอาปัญญาไปด้วยนะที่นี่พูดจะปฏิบัติทางโลกมันก็ไม่มีเพราะพระรหันเอาไปหมดเนี่ยถูกไหมใช่ครับนี่เนี่ยเมื่อกี้หลวงปู่เปรียบเทียบอย่างเงี้ยตเปเปะเลยเรื่องที่หลวงปู่บอกว่าไฟมั น, มนดับนะฮะเหมือนกันนะเพราะว่าไอตอนที่ยังไม่ดับมันก็มีทั้งมันมีทั้งใต้มีทั้งอะไแต่พอดับไปแล้วมัน้ยไม่ดีเลยฮะแค่ว่าจิตก็ไม่มีอะไรก็อย่างนี้นะแต่ว่า แต่ ว, ว่าไฟก็ยังมีอยู่เอาละผมเดี๋ยวจะทำให้ผมเกิดมีมีโทษอย่างีกอีกครับไท่านหลวงปู่การตัณก์ตับปากนึกว่าวันนี้ผมเป็นมีมีบุญบารมนาแล้วเกิดได้มาฟัง ทำแนะนำได้จากคุปู่ที่ดีๆไปหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้สงสัยสเป็นบางพอแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกที่นี่ผมก็ไม่รู้จะทํำไงเพราะผมอยู่ไกลและเกินอยู่ถึงชนบุรีซึ่งพอดีเขาจัดทัวร์ก็ได้ไปได้มาเทียเย่ยวนี่รักท่านผมมีปัญหาผมจะถามเขียนจดหมายว่าจะส่ ง, งได้ไหมได้นะครับนี่ท่านจ ะ, นะผมจะเขียนจดหมายากำผิดอยู่ไงครับเขียนมาจดว่าที่วัดนี่ได้นะคไหมได้ เอาแล้วผมรับมาด้หนังสือตนเองครับครับคือผมก็อ่านหนังสือผมปูพมได้ไปปีที่แล้วนะฮะที่มาคักที่เที่อยู่ที่กรุงศรีคือทางใต้ที่ใต้ใต้จุดผมไม่อ่านจบจังหวัดที่อืแล้วนะหนังสือฟูตัวแล้วยิ่งอ่านหนังสือก็ยยิ่งอ่านยิ่งแต่นฮะยิ่งเข้าใจอะไรนะแต่มันก็ยังไม่หมดนะฮะยังยังติดอยู่หลายหลอย่างเอาแล้วครับผมคิดว่าประมาณแล้วนะครับนี่เอาเอาเลยไหมลองลองไปรานมองหอยไป ยังไม่ได้แกบ เ, เขาไปลงไปตามตัวตะม่งกบพุชก็ไม่้ถ้าอรัญญาวาสียังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วยถ้าอรัญญาวาสีพินาศลงคามวาสีจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวัดม้วยสุดกิงสกุลพุตมันจะตักเข้ามาในอีกแบบนี้ปัหานักขงเอเตั้งเข้าอีกนี้ พุทธบัญญัติกับอภิสมัยจา ร, าร์เป็นพรบรปกครองสงบ้างหรือไม่เป็นพรบรปกครองสงเต็มภูมิแล้วอยู่ไว้สักครั้งสัมพยันคณะเจริญปริบุญนางปฏิชุดทางผมมครยิยามประกาศเสถียบริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญคนะแล้ไม่มีบกพร่องตามหมหาบุคคลวันตังปูติยามมีตามหมหาบุคคลวันตังสีรษานามานี้เราจึงยอมกราบเราจึงยอมไหว้ในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้กราบไหว้แบบงงโง่แบบบ้า เมื่อคำสอนเมื่อพุทธบริษัททศกุภิกษุกษณีอวบาสกอวบาสิกาและคำสอนยังไม่บริบูรณ์เพียงแล้วเราตถาคตก็จะไม่ปรินิพานเพียงนั้นอันนี้มันบริบูรณ์หมดแล้วนะในมหาปรินิพานสูตรราสิอังท่านนี่เ น, นติยังจะรืมสนเจ้าของเราก็ได้บริบูรณ์เลย